วิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาซายะปริตังพรูธมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาซายะปริตังพรูธมังคลัง วิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพโรควินาสายะปริตังรูทมังครัง